อ, อิติปิอิติปิอิติปิโสภะควาแม้เพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นพระอรันตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองครั้นในอัตภาพอื่นอีกมีกษัตริย์ผู้ได้เป็นมารดาของเรามีนามว่าพุทธดีกษัตริย์นั้นเป็นมเหสีของท้าวสักกะ มาแล้วในอดีตชาติท้าวส ก, กะผู้จอมเทพทราบอายุไขของพระมเหสีองค์นั้นแล้วได้ตรัสกับเธอว่าเจ้าผู้เลิศงามเราจะให้พรแก่เจ้าสิบประการตามแต่เจ้าจะเลือกเอาพระเทวีนั้นได้รำพันถามท้าวส ก, กะว่ามอมฉันมีความผิดอย่างไรหรือเนาะ มอมั้นเป็นที่เกิีดชังของพระองค์แล้วหรือหนอจึงถูกบังคับให้ละโลกอันน่ารื่นรมนี้ไปดุดพฤทชาติที่ถูกลมพัดถอนขึ้นกระทั่งรากฉะนั้นเท้าส ก, กะผู้อันพระเทวีรำพันเช่นนั้นแล้วได้ตรัสแก่เธอว่าใช่ว่าเจ้าจะทำบาปอันใดลงไปก็หาไม่ได้ใช่ มาเจ้าจะไม่เป็นที่รักของเราก็หาไม่ได้แต่ว่าอายุของเจ้ามีเพียงเท่านี้บัด น, นี้เป็นเวลาที่เจ้าจะจุติฉะนั้นเจ้าจงรับเอาพอรสิบประการอันเราให้เถิดดังนี้พระเทวีนั้นจุติแล้วบังเกิดในตระกูลกษัตริย์นามว่าพุทดีได้สมรส พระราชาสัชใจในนครเชตุดรในการที่เราเก้าวลงสู่พระคันแห่งพระมารดาอันเป็นที่รักนั้นมารดาของเราได้เป็นผู้ยินดีในทานตลอดเวลาเพราะเดชของเราท่านได้ให้ทานแก่ยาจกผู้ไร้ทรัพย์อาดูนคร่ำครวญและแก่สมณพราหมณ์ ยังไม่ยังมือแม่เจ้าผูษสตีดำรงคันครบสิบเดือนกำลังเที่ยวประพาสทั่วนครได้ประสูติเราณนะถนนแห่งชาวร้านเพราะกำเนิดที่ถนนแห่งชาวร้านนามของเราจึงไม่เกี่ยวเนื่องด้วยมารดาและบิดาได้ชื่อว่าเวสันดอนแปลว่าระหว่างชาวร้าน เมื่อเรายัางเป็นทารกอายุแปดปีนั่งอยู่ในปราสาทก็รำพึงแต่จะให้ทานคือเราจะให้ทานหัวใจดวงตาเนื้อเลือดร่างกายให้ปรกากฏแต่ว่าจะมีผู้มาขอกับเราเมื่อเรารำพึงแน่ใจไม่หวั่นไหวเช่นนั้นเป็นดินได้หวั่นไหวภูเขาสิเนรุได้สั่นสะท้านสะเทือน ในวันอุโบสถกึ่งเดือนและปลายเดือนเราขึ้นสู่ช้างชื่อปัจจยนาคไปให้ทานมีพวกพราหม์ชาวแว่นแคว้นกาลิงเข้ามาหาเราและได้ขอช้างอันประเสริฐซึ่งสมมุติกันว่าเป็นมงคล น, นั้นกันเราเขากล่าวกับเราว่าที่ชนบทของข้าพเจ้าฝนไม่ตกเกิดทุพิกภัยอดอาหารอย่างใหญ่หลวง ขอพระองค์จงประทานช้างอันบวรเป็นจอมช้างมีอวัยวะขาวทั้งหมดแก่ข้าพเจ้าเถิดเราตกลงใจว่าเราจะให้เราไม่มีวันไหวเราไม่หวงแหนปกปิดฐา น, นวัตถุที่เรามีเพราะใจของเรายินดีในทานการปฏิเสธ ต, ต่อยาจกที่มาถึงเก้าแล้วนั้นไม่กวนแก่เรา เราอย่าทำลายการสมาทานของเราซีเลยเราจะให้ช้างอันวิบู์บัดนี้หลักเราจับที่งวงช้างมือหนึ่งอีกมือหนึ่งหล่อน้ำในเต้าใส่มือปรามให้ช้างแก่ปรามไปเมื่อเราให้ทานช้างเผือกอันสูงสุดนี้แผ่นดินได้หวนไหวภูเขาสีรุกได้สันสะท้านสะเตือนอีกครั้งหนึ่ง เมื่อเราให้ช้างตัวนั้นชาวเมืองสีพีโกรธมากมาประชุมกันให้ในประเทศเราออกจากนาครไปอยู่เขาวงเมื่อชนพวกนั้นพากันกำเริบเราก็ยังมีความไม่หว่นไหวขอร้องกับเขาเพื่อได้ให้ทานครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่งเจ้าสีพีถูกขอร้องเข้าแล้วก็ยอมให้ เราให้เป่าร้องเอ ก, กเกริกว่าเราจะให้มาหาทานมีเสียงเล่าลืออย่างใหญ่หลวงเพราะเรื่องนี้ว่าถูกขับเพราะให้ทานยังจะให้ทานอีกเราก็ให้ทานช้างมา้ารถท่าสีท่าโคและรับครั้นให้มาหาทานแล้วจึงออกจากนครไปครั้นออกไปพ้นเขตนครแล้ว ได้เหลียวกลับหลังดูเป็นการลาแผ่นดินได้หวั่นไหวผูเขาสีรุได้สั่นสะท้านสะเตือนอีกครั้งหนึ่งเมื่อถึงทางสีแพร่งได้ให้ทานรถที่เตรียมด้วยม้าทั้งสี่ไปเราผู้ไร้เพื่อนบุรุษกล่าวกับพระนางมัดสีว่าเจ้าจงอุ้มกันหาลูกหญิงน้อยค่อยเบาหน่อยเราจะอุ้มชาลีพี่ชาย ซึ่งหนักกว่าเป็นนันว่าพระนางมัดสีโดยอุ้มกันหาชีนะอันงามเหมือนดอกบุญริและเราได้อุ้มชาลีซึ่งงามเหมือนรูปทองหล่อรวมเป็นสี่กรรษัตริย์สุขุมรชาิได้เหยียบย่ำไปตามผลตางต่ำต่ ำ, ตำสูงสูงไปสู่เขาวงพบใครในระหว่างทางก็ถามว่าเขาวงอยู่ทางไหน ชนเหล่านั้นสงสารเราและบอกว่าอย่างไกลมากเด็กๆได้เห็นผลไม้ในป่าก็ร้องไห้อยากได้ผลไม้นั้นๆเห็นเด็กๆร้องไห้ต้นไม้ก็น้อมกิ่งมีลูกดกเข้ามาหาเด็กเองพระนางมัดสีเห็นความอัศจรรย์ชวนสยองขนเช่นนี้ก็ออกอุทานสาทุกการว่าโอ๋เนอของอัศจรรย์ ไม่เคยมีในโลกหน้าขนพองต้นไม้น้อมกิ่งลงมาเองด้วยอำนาจแห่งพระเวสสันดรหนังนี้พวกยักษ์ช่วยย่นระยะการเดินทางเพื่อความอนุเคราะห์แก่เด็กๆในวันที่ออกจา ก, กนครนั่นเองได้เดินทางถึงแว่นแว้นของเจตราชญาตในที่นั้นร้องไห้คร่ำครวญกริ่งเกลือกทั้งผู้ใหญ่และเด็ก ออกจากแว่นแคว้นของญาติเหล่านั้นแล้วก็มุ่งไปสู่เขาวงจอมเทพสั่งให้วิสุกรรมเทพผู้มีฤทธิ์สร้างบนนารรณาลาเป็นอาสมอันรื่นรมวิสุกรรมเทพได้สร้างแล้วเป็นอย่างดีตามน้ำรัดของเท้าสักกะเทวราชพวกเราสี่คนก็ลุถึงราป่าอันเงียบเหงาไม่มีวีแววแห่งมนุษย์ ได้อาศัยอยู่แล้วในบรรณสาลานั้นในระหว่างภูเขาบรรเทาความโศกของกันและกันได้แล้วณนะที่นั้นเราดูแลเด็กๆในอสมประนางมัดซีไปเสาะหาผลไม้ในป่ามาเลี้ยงกันเมื่อเราอยู่ถึงในป่าสูงก็ยังมีนักขอไปหาเราได้ขอลูกของเราคือชาลีและกันหาชีนะ ทั้งสองคนความบันเทิงใจเกิดขึ้นแก่เราเพราะได้เห็นยาจกเข้าไปหาเรายื่นบุตรทั้งสองคนให้แกรพราหมณ์ผู้มาขอนั้นไปเมื่อเราสละบุตรให้แกพราหมณ์นามว่าชูชกในการนั้นแผ่นดินได้หวั่นไหวภูเขาสินเนรุได้สั่นสถานสะเทือนอีกครั้งหนึ่งต่อมา เท้าสักกะผู้เป็นจอมแห่งเทวดาได้ลงมาโดยเพศปรามขอพระนางมัดสีผู้มีศีลและวัดในสามีก็เราอีกเราได้จับหัดมอบหมายให้และหลั่งน้ำลงในฝ่ามือปรามมีจิตเบิกบานผ่องใสให้พระนางมัดสีไปขณะที่เราให้ถวยเทพในนภาอากาศ ก็พลอยอนุโมทนาแผ่นดินได้วันไหวผู้เขาสิเนรุได้สั่นสะท้านสะเทือนอีกเราสละชาลีกันหาและพระนางมัตสีผู้มีวัดในสามีไม่มีความลังเลใจก็เพราะเหตุแห่งปัญญาเครื่องตรัสรู้รู้ความดับทุกข์ของสัตว์โลกลูกสองคนนั้นจะเป็นที่เกลียดชังของเราก็หาไม่ กระนางมัดซีจะเป็นที่เกลียดชังก็หาไม่แต่สัพพัญยุตยานเป็นที่รักของเราเราจึงให้ของรักเพื่อสิ่งที่เรารักในชาติอื่นอีกเราเป็นชลินบำเพ็ญตบะกล้านามว่ามาตังคะมีศีลมีสมาธิมั่นเรากับรามอีกผู้หนึ่ง ต่างอาศัยอยู่ริมฝั่งแม่น้ำคงคา ด, ด้วยกันอาสมของเราอยู่ทางเหนือน้ำของปรามอยู่ใต้น้ำปรามนั้นเดินเลาะฝั่งขึ้นมาเห็นอาสมของเราทางเหนือน้ำมีความรังเกียดด่าว่าเราแช่งเราให้ศีรษะแตกที่จริงถ้าเรากโกรธปรามนั้นขึ้นมาหรือศีลของเราไม่ควบคุมเราไว้แล้ว เพียงแต่การมองดูเท่านั้นก็อาจทำปรามให้กลายเป็นดุดว่าขี้เท่าไปปรามนั้นโกโรธคิดประทุษร้ายเราว่าเราด้วยคำสาปแช่งอย่างใดๆอาการนั้นกลับเป็นแก่ปรามนั้นเองเราพ้นไปได้ด้วยอำนาจคุณของเราเรารักษาศีลของเราเราไม่ได้รักษาชีวิตหมายถึงเกียรติยศนั้น ในการนั้นเรารักษาศีลพระเหตุแห่งปัญญาเครื่องตรัสรู้เท่านั้นในชาติอื่นอีกเมื่อเราเป็นพรามชื่อจุลโโธทผู้มีศีลมองเห็นพบโดยความเป็นของน่ากลัวจึงได้ออกบวชภระยาเก่าของเราเป็นพรามณีมีรูปดังทำด้วยทอง แม้เธอนั้นก็ไม่ประสงค์ต่อการเวียนไหวในวัฏฏะจึงออกบวชเสียด้วยกันเราสองคนเป็นผู้ไม่มีอะไรตัดขาดจากพงพันไม่มีความมุ่งหมายอะไรในตระกูลและหมู่ชนเที่ยวไปตามหมู่บ้านและจังหวัดลุถึงเมืองพรันสีแล้วณที่นั้นเราบำเพ็ญปัญญาไม่ละคนด้วยหมู่คณะ อยู่ในราชอุทยานอันไม่มีผู้คนเกลื่อนกลนและเงียบเสียงพระราชาเสด็จมาประพาสสวนทอดประเนตรเห็นพระนางมัดสีก็เข้ามาถามกเรา ว, ว่าหญิงนั้นเป็นภรยาของท่านหรือของใครเราทูลตอบว่าไม่ใช่ภรยาของเราเป็นเพียงผู้ประพฤติ ธ, ธรรมร่วมกันถือคำสอนอย่างเดียวกันพระราชาเกิดความกาหนัด ในนางปราหมณีนั้นรับสั่งให้จับและจุดฆ่านางไปโดยพระการสู่ภายในนครเมื่อจุดฆ่านํานางไปอยู่ความโกรธได้เกิดขึ้นกับเราแต่พร้อมกับความโกรธที่เกิดขึ้นนั้นเราระลึกขึ้นได้ถึงศีลและข้อวัดในขณะนั้นนั่นเองเราค่มความโกรธได้ และไม่ยอมให้เกิดขึ้นมาได้อีกเรารู้ตัวเราว่าแม้ใครจะทำร้ายนางปรามณีนั้นด้วยหอกข่มกล้าเราก็ไม่ทำลายศีลของเราเพราะเหตุเห็นแก่โพธิญาณแต่ใช่ว่านางปรามณีจะไม่เป็นที่รักของเราก็หาไม่และใช่ว่าเราจะไม่มีกำลังวางชาก็หาไม่ แต่สัพพัญยุตยานเป็นที่รักของเราเราจึงตามประกองศีลของเราไว้ในชาติอื่นอีกเราได้มีชาติเป็นราชบรุษชื่อยุทันชยะที่ยิ่งดุยศได้เกิดความรู้สึกสลดต่อชีวิตในขณะที่มองเห็นหยาดน้ำค้างในเวลาเช้าเหื่อนแห้งไปเพราะแสงแดดเป็นอุปมา เรายึดเอาความรู้สึกนั้นเป็นอารมณ์อันแน่วแน่ก็ยิ่งสลดสังเวชมากขึ้นเข้าไปหาเจ้าพ่อและเจ้าแม่ขออนุญาตบวชเจ้าพ่อและเจ้าแม่พร้อมด้วยชาวนครและชาวแคว้นเข้ามาอ้อนวอนเราขอให้อยู่ครอบครองแผ่นดินอันมั่งคั่งรุ่งเรืองเราไม่เอาใจใส่ต่อเจ้าแม่และเจ้าพ่อพระญาติวง พร้อมทั้งชาวนครและชาวแควน้นสลัดทิ้งไปเสียเราสลัดราชสมบัติญาติข้าแผ่ น, นดินยศและสิ่งตั้งปวงไปอย่างไม่ลังเลเยื่อใหญ่เพราะเหตุแห่งปัญญาเครื่องตรัสรู้ใชว่าเจ้าพ่อและเจ้าแม่จะไม่เป็นที่รักของเราก็หาไม่เราจะเกลียดยศก็หาไม่ แต่สัพพันยุตยานเป็นที่รักยิ่งของเราฉะนั้นเราจึงสลัราชสมบัติเสียและในการบัตดนี้เราผู้โคตมาโคตรจริญนแล้วในสักยัตริกูลเคยตั้งความเปลี่ยนไว้ได้บรรลุสัมมาสัมพชธิญานอันสูงสุดเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้นานกรของเราชื่อกบิลพัทปิดาของเราเป็นราชา ชื่อสุดโททนะมันดาผู้ให้กำเนิดเราชื่อมายาเทวีเราอยู่ครองเรือน29ปีมีพระศาสูงสุดสามหลังชื่อสุจันตะโกกนุธทธะและโกนจะมีหญิงประทับดีแล้วสี่หมื่นนางนารีผู้เป็นชายาชื่อยโสธราลูกของเราชื่อราหุนพระได้เห็นนิมิตทั้งสี่ เราจึงออกด้วยม้าเป็นยานภานะทำความเพียรถึงหกปีเราได้ทำสิ่งที่ใครๆทำได้โดยยากเราเป็นผู้ชนะประกาศธรรมจักที่ป่าอิสิปตนะเมืองพรันตสีเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าชื่อโคตมะเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายภิกษุผู้เป็นนักระสาวกสองรูป ชื่อโกลิตะและอุปติสัอุปตาผู้ใกล้ชิดของเราชื่ออานอน์ภิษุนีผู้เป็นอครสาวิกาสองรูปชื่อเขมาและอุบลวนาอุบาสกผู้เป็นอครอุปธาสองคนชื่อจิตตะและหัตถารวกะอุบาสิกาผู้เป็นอครอุปธายิกาสองคนชื่อนันทะมาตาและอุตรา เราได้บรรลุสัมมาสัมพุท т านอันสูงสุดนักคัวงแห่งไม้อัสถะในพัฒกับนี้ในบัดนี้เราเป็นผู้อรันต์สัมมาสัมพุทธะได้บังเกิดขึ้นแล้วในโลกในบัดนี้เราผู้อรันต์สัมมาสัมพุทธะเป็นกษัตริย์โดยชาติบังเกิดแล้วในคติยศกุลในบัดนี้ เราผู้อรหันตะสัมมาสัมพุทธะโดยโคตเป็นโคตมะโคตคือนามสกุลโคตมะในบัดนี้ประมาณอายุไขแห่งสัตว์ในยุคของเราสั้นมากผู้ที่เป็นอยู่ได้นานก็เพียงร้อยปีเป็นอย่างยิ่งที่เกินร้อยปีขึ้นไปมีน้อยนักในบัดนี้เราผู้อรหันตะสัมมาสัมพุทธะได้ตรัสรู้ นักขวงแห่งไม้อสถุถาในบัดนี้สาวกสองรูปมีนามว่าสาวริบุตรและโมคลานะเป็นอครสาวก ค, คู่เลิศของเราในบัดนี้สาวกสันนิบาตของเรามีเพียงครั้งเดียวและมีภิกษุถึงหนึ่รรูปสาวกสันนิบาตของเรามีเพียงครั้งเดียว และมีภิกษุถึง 1,250 รบรูปสังฆสันิบาตแห่งสาวกของเราในครั้งนี้ผู้เข้าร่วมประชุมล้วนแต่เป็นพระกีนาศพทั้งสิน้นในบัดนี้ภิกษุผู้เป็นอุปทากใกล้ชิดของเราชื่ออานอนท์จะเป็นอุปทากอันเลิศในบัดนี้พระราชานามว่าสุดโตธนะเป็นบิดาของเราพระเทวีนามว่ามายา เป็นมารดาผู้ให้กำเนิดแก่เราและก่อนชื่อก บ, บิลพัตรเป็นราชธานีของบิดาเราเรื่องดึกดำบรร์เคยมีมาแล้วพระเจ้าอุ ก, กาก ร, ราชปรารถนาจะยกราชสมบัติประทานแกโอรสของพระเมสีที่โปรโดปรานต้องพระไถยจึงได้ทรงขับราชกุมารผู้มีชนมายุมากกว่าคือเจ้าอุ ก, กามุก กรักันทุหัตถินีกะและศินีปุระออกจากราชอาณาจักรไปตั้งสำนักอยู่ณป่าสากใหญ่ใกล้สะโบกกรณีข้างภูเขาหิมพานเธอเหล่านั้นกลัวชาติจาระคกันจึงสมสู่กับพี่น้องของเธอเองต่อมาพระเจ้าอุกากราตรัฐถามอำมาตย์ว่าบัดนี้กุมารเหล่านั้นอยู่ที่ไหน ได้รับคำตอบว่าปัตณีกุมารเหล่านั้นเสด็จอยู่ณป่าสากใหญ่ซึ่งอยู่ใกล้สาบโบกรณีข้างกูเกาหิมะผ่านพระกูมารทั้งหลายกลัวชาติจาราคกันจึงสมสู่กับพี่น้องของตนเองในขณะนั้นพระเจ้าอุกากราชทรงเปล่งพระอุทานว่ากุมารผู้อาหารหนอกุมารผู้อาหารอย่างยิ่งหนอเพราะเหตุนั้นเป็นเดิม จึงเป็นพวกที่ได้ชื่อว่าสากยะสืบมาอานนท์โพธิสัตว์มีสติรู้ตัวทั่วพร้อมบังเกิดในหมู่เทพชั้นดุสิตโพธิสัตว์มีสติรู้ตัวทั่วพร้อมดำรงอยู่ในหมู่เทพชั้นดุสิตโพธิสัตว์มีสติรู้ตัวทั่วพร้อมดำรงอยู่ในหมู่เทพชั้นดุสิตจนกระทั่งตลอดแห่งอายุ โพธิสัตว์มีสติรู้ตัวทั่วพร้อมจุติจากหมู่เทพชั้นดุสิตก้าวลงสู่คันแห่งมารดาเมื่อใดที่โพธิสัตว์มีสติรู้ตัวทั่วพร้อมจุติจากหมู่เทพชั้นดุสิตแล้วก้าวลงสู่คันแห่งมารดาในขณะนั้นแสงสว่างอันโอนรารจนหาประมาณไม่ได้ยิ่งใหญ่กว่าอนุภาพของเทวดาทั้งหลาย จะบรรดาได้ได้ปรากฏขึ้นในโลกพร้อมทั้งเยวโลกมาราโลกปรมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ถึงแม้ในโลกันตานรกอันโล่งโถงไม่มีอะไรปิดกัน้นแต่มืดมนอนทการหาการเกิดแห่งแสงสว่างไม่ได้อันแสงสว่างแห่งดวงจันทร์และดวงอาทิตย์อันมีฤทธิ์อนุภาพอย่างนี้ซองไปไม่ถึงนั้น แม้ในที่นั้นแสงสว่างอโนโรานจนหาประมาณไม่ได้ยิ่งใหญ่กว่าอนุภาพของเทวดาทั้งหลายจะบรรดาลได้ก็ได้ปรากฏขึ้นเหมือนกันชัดที่เกิดอยู่ณนะที่นั้นรู้จักกันได้ด้วยแสงสว่างนั้นพากันร้องขึ้นว่าท่านผู้เฉลยเนยผู้อื่นที่เกิดอยู่ในที่นี้นอกจากเราก็มีอยู่เหมือนกันหรือนี่อย่งนี้ และหมื่นโลกธาตุนี้ก็หวั่นไหวสั่นสะท้านสะเทือนแสงสว่างอันโอราณจนหาประมาณไม่ได้ได้ปรากฏขึ้นบนโลกเกินกว่าอนุภาพของเทวดาทั้งหลายจะบรรดาลได้และเมื่อโพธิสัตว์จุติจากหมู่เทพชั้นดุสิตมีสติสำปัญญะก้าวลงสู่ันแห่งมารดาเมื่อนั้นแผ่นดินย่อมหวั่นไหว ย่อมสันสะทานย่อมสันสะเตือนในการใดโพธิสัตว์กำลังก้าวลงสู่ตนแห่งมัรดาในการนั้นเทพประบุตรทั้งหลายย่อมทำการอารักขาในทิศทั้งสีแกโพธิสัตว์โดยประสงค์ว่ามนุษย์หรืออะมนุษย์หรือใครๆก็ตามจะได้เบียดเบียนโพธิสัตว์หรือมัรดาแห่งโพธิสัตว์เลยเมื่อโพธิสัตว์ ก้าวลงสู่คันแห่งมารดาในการนั้นมารดาแห่งโพธิสัตว์ย่อมเป็นผู้มีศีลอยู่เป็นปกติเป็นผู้เว้นจากปานาติบาตเว้นจากอธินนาทานเว้นจากกาเมสุมิชาจารเว้นจากมูสาวาตเว้นจากสุราและเมรยัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทในการใดโพธิสัตย์ก้าวลงสู่คันแห่งมารดาในการนั้น มารดาแห่งโพธิสัตว์ย่อมไม่มีความคิดอันเชือด้วยการมคุณในบุรุษทั้งหลายอันหนึ่งมารดาแห่งโพธิสัตว์ย่อมเป็นผู้ที่บุรุษทั้งหลายไม่คิดจะล่วงเกินด้วยจิตอันกำนัดในการใดโพธิสัตว์ก็ลงสู่ตแหน่งมารดาในการนั้นมารดาแห่งโพธิสัตว์เป็นผู้มีลาบด้วยการมคุณทั้งห้า มารดาแห่งโพธิสัต์นั้นอิ่มเอิบเพียรพร้อมด้วยการมากุณทั้งห้าให้เขาบำเรอประคบประงมอยู่ในการใดเมื่อโพธิสัต์ก้าวลงสู่คันแห่งมารดาในการนั้นมารดาแห่งโพธิสัตย่อมไม่มีอาพาธใดๆมีความสุขไม่อ่อนเพลียอันหนึ่งมารดาแห่งโพธิสัตย่อมแลเห็นโพธิสัตว์ผู้อยู่ในการมารดา มีอวัยวะน้อยใหญ่สมบูรณ์มีอินทรีย์ไม่ซามเหมือนอย่างว่าแก้วไผ่ทูลอันงดงามโชดช่วงสดใสเจริญในดีแล้วมีได้ร้ออยู่ในแก้วนั้นสีเขียวเหลืองแกมเขียวแดงขาวหรือเหลืองก็ตามบรุษที่ยังตาดีเอาแก้วนั้นวางบนฝ่ามือแล้วย่อมมองเห็นชัดเจนว่านี้แก้วไผ่ทูล อัน ง, งดงามโชดช่วงสว่างสดใสเช่นใดดีแล้วนี้ได้ซึ่งร้ออยู่ในแก้วนั้นจะเป็นสีเขียวเหลืองแกมเขียวแดงหรือขาวหรือเหลืองก็ตามฉันใดก็ฉะ น, นั้นที่มานดาแห่งโพธิสัตว์เป็นผู้ที่ไม่มีอาพาธมีความสบายไม่อ่อนเปลี่ยและเห็นโพธิสัตว์ผู้นั่งอยู่ในคันมีอวัยวะน้อยใหญ่สมบูรณ์ มีอินสี่ไม่สามยิ้งอื่นๆอุ้มกันไว้เก้าเดือนบ้าง10บเดือนบ้างจึงคลอดส่วนมันดาแห่งโพธิสัตว์ไม่เป็นเช่นนั้นมันดาแห่งโพธิสัตย์ย่อมอุ้มกันไว้สิบเดือนเต็มทีเดียวแล้วจึงคลอดดังนี้ฟังธรรมำพุทธะ